อนนี้เรียกว่าอยู่ในภาวะไม่ปกติแต่ใจของเราเนี่เราสามารถรักษาให้อยู่อย่างปกติได้เสมอถ้าเรารู้จักควบคุมตอนนี้เรายังขาดเครื่องมือที่จะควบคุมใจของเราให้ อยู่อย่างปกติถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นถ้าเรามีเครื่องมือคือมีธรรมะเราจะสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่อย่างปกติได้เพราะใจนี้ไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ใจอยู่ที่ก็ เ, เรียกว่าเรมูดภาษาอังกฤษเรมูดเหมือนกับเรมูดที่เราใช้ควบคุมจอโทรทัศน์เปลี่ยนช่องเราใช้เรมูดกดคนที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ในเครื่องเวลาเครื่องเป็นอะไรไปก็ไม่ได้กระทบกับคนที่ ควบคุมเครื่องสั่งให้เครื่องเปลี่ยนช่องใจของเราก็เหมือนคนที่ควบคุมร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่เกิดกับคนที่กด e ีโมทคนที่คอยสั่งการให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆปัญหาของคนที่กดรีโมทนี้ก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน <c oughs> ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในร่างกายเขาไปคิดว่าเขาเป็นร่างกายพอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มากระทบกับร่างกาย เขาก็เดือดร้อนไปด้วยวุ่นวายไปด้วยทั้งที่เขานั้นไม่ได้ถกระทบเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายแทนเขาไม่รู้ที่เรียกว่าโมหะอวิจชาความไม่รู้ความจริงระหว่างกายกับใจใจผู้เป็นผู้ กฎเรมด remote, ผู้ควบคุมร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายแต่ใจไม่รู้ใจไปคิดว่าตนเป็นร่างกายพอร่างกายมีอะไรมากระทบใจก็เดือดร้อนตามไปด้วยถ้ามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราก็จะ ือว่ากายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้เราแยกกายออกจากใจให้ปล่อยวางร่งางกายให้ปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับร่างกายใจของเราก็จะอยู่อย่างเป็นปกติได้ ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบกับร่างกายใจของเราก็จะอยู่อย่างปกติส่วนภาวะของร่างกายเหตุการณ์รอบรอบตัวร่างกายไม่ปกติมันก็เป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเผชิญกับมันไปถ้ามัน รับได้มันฝ่าฟันไปได้มันก็จะอยู่ต่อไปได้ถ้ามันรับไม่ได้ฝ่าฟันไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องตายไปแต่ใจพู้ควบคุมร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าไม่ทำละก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายถ้าไม่มีธรรมะก็จะทุกข์ทรมานใจเดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายจนถึงวาระสุดท้ายของร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วก็ตลอดตัวเติมไป ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำมาถ้าเป็นถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะพาไปสู่สุขคติถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะพาไปสู่ทุกขคติทุกขคติก็คือภาวะที่ร้อนที่ทุกทรมานต่างๆ สุขติก็คือภาวะที่สงบที่เย็นที่สบายจนกว่าบุญกับบาคจะมีกำลังพอๆกันคือบุญไม่สามารถดึงจิตไปสุขติได้บาคก็ไม่สามารถดึงจิตไปสู่ทุตติได้ก็จะกลับมา เกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหลงติดกับร่างกายใหม่ร่างกายของมนุษย์การที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นลาภอันเประเสดเพราะได้รับความรู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจที่จะสามารถปลดล็อก อุปทานที่ผูกมัดใจไว้กับกายให้ใจต้องทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ทุกกับการพักผาจากสิ่งต่างๆให้ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆภัยพิบัติต่างๆที่มากระทบกับร่างกายพอมีธรรมะเาปดลอกออกไป ใจก็จะสบายไม่เดือดร้อนภาวะของร่างกายสภาพของร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไปจนกว่าร่างกายกับใจจะแยกจากกันไปคือในเวลาที่ร่างกายตายไป ใจก็จะไม่ต้องมีภาระที่จะต้องดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ถ้ามีธรรมะใจก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอาันหเพราะไม่มีอุปทานที่จะทำให้อยากจะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไป ใจก็จะอยู่อย่างอิสระไปตลอดอันประการไม่มีวันสิ้นสุดนี่เป็น <c oughs> เป็นคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอิสระจาก ภาวะที่กดดันต่างๆ่างนั้นการที่ได้มาพบกับพุทธศาสนาจึงเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของใจที่จะปลดปล่องตอนเองให้หุดท้นจากความทุกข์ทั้งหลายหน้าที่ของใจ จึงต้องนำเอาธรรมะคำสอนเข้ามาสู่ใจเพราะธรรมะจะเป็นก ร, ระแสที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความปลอดภัยต่างกับก ร, ระแสของกิเลสตัณหาที่ จะผลักให้ใจออกไปหาความทุกข์ต่างๆกระแสทั้งสองกระแสนี้จึงต่อสู้กันถ้ากระแสของกิเลสตัณหามีกําลังมากกว่าใจก็จะไปรับความทุกข์ต่างๆถ้ากระแสของธรรมมีมากกว่า ใจก็จะได้รับความสุขกระแสของธรรมนี้เข้าข้างในกระแสของกิเลสนั้นออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโหดถะะออกไปหาลาภยศสรรเสริญกระแสธรรมนี้ดึงให้เข้าสู่ความสงบ เราจึงต้องสร้างกระแสธรรมนี้ให้มีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับด้วยศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามด้วยความขยันหมั่นเพียร สิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือรื้อสร้างสร้างขึ้นมาก็คือสติสมาธิและปัญญาที่จะเป็นเป็นเครื่องจักรที่จะผักดันให้กระแสธรรมนี้มีกำลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหาถ้าสร้างกระแสธรรมนี้ขึ้นมา ถ้าสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้เต็มที่กระแสธรรมก็จะมีกำลังเต็มร้อยถ้ามีกำลังเต็มร้อยแล้วก็สามารถผลักดันกระแสของกิเลสตัณหาให้หมดไปได้กิเลสตัณหาจะไม่มีกำลังที่จะผลักดันให้ ใจนั้นออกไปรับกับความทุกข์ต่างๆของราภยศสรรเสริญและของความสุขทางตาหูจมูกรินกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดภะเพราะว่าราภยศสรรเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถ ภ, ภาเนี้ยื้วนเป็นใจรักทั้งนั้น ล้วนอยู่ภายใ น, ในอยู่ในภาวะที่มีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไปแล้วก็ไม่ได้เป็นของของใครทังนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ถ้าไป หลงยึดติดกับลาภยศสรรเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุทธพะ่ก็จะได้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่จะได้ความทุกข์มากมากกว่าหลายน้อยเท่าเดยกันเวลาได้มาใหม่ๆได้เหตได้สัมผัสก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ ไม่ได้เสกหรือว่าสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะมีความชุกยางมากแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการแสวงห า, าลาภยศสรเสริญและสุขทางรูปเสียงกิน่นลสโผฏฐพะนี้ก็เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตาเหมือนกันคือไม่เที่ยมมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการตายไปเป็นอนัตตาก็คือไม่ได้เป็นตัวตนเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกออกจากกันไปคนละานพอเกิดเพราะว่า ดับขึ้นมาจิตหรือใจที่มีความผูกพันกับราบยศสารเสริญและความสุขทางรูปเสียงเกินดนรตโัภธพะก็จะต้องทิกตรมาใจยอย่างมากนี่คือภาวะของจิตใจของปุทุชนของพวกเราพวกเราทุกวันนี้ก็ทุกข์กับเรื่องแค่นี้แหละ เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกฎทาพระเรื่องราบยศสรรพสันเพราะเราขาดธรรมะที่จะปิดลอ็อกหรือผักดันใจของเราให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความความสงบความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบนี่เองความสงบของใจนี่แหละคือความ ความสุขที่แทจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเข้าข้างในใจไม่ออกไปข้างนอกอย่างนักบวชนีท่านเดิมใจเข้าข้างในท่านสละเรื่องราบยกสรรเสริญเรื่องความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็มาบำเพ็ญสร้างพลังให้แก่ กระแสของธรรมด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาจนกระแสของธรรมนี้มีกําลังเต็มร้อยแล้วก็จะหยุดกระแสของกิเลสตัณหาที่จะผลักดันด้วอฉุดลากให้ใจออกไปทุกทรมาน กับาบยศสรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายได้นี่คือเรื่องของใจของพวกเราพวกเรายัางไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะสร้างกระแสทมให้มีกำลังเต็มร้อยเรายังขาดสติยังขาด สมาธิขาดปัญญาขาดวิริยะความสหาหภาพเพียนที่จ ะ, จะเจริญสติสมาธิและปัญญาให้มีกำลังที่จะผลิต ก, กระแสทำให้ให้เต็มวอยได้เราจึงมักจะต้องจึงมักจะต้องยังไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆทาง ตาหูจมุกเร่กายเช่นน้ำท่วมขณะนี้เป็นต้นก็เกิดจากการที่ใจของเรายัางไม่มีกระแสธรรมมากพอที่จะผลักดันหรือดึงใจให้เข้าไปสู่ข้างในให้เข้าไปสู่ความสงบใจยังวิตกกังวลกับเรื่องของ ลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ทั้งทั้งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับที่จะให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ก็ตามแต่ใจของปุถุชนก็ยังพยายามที่จะเผยความจริงอันนี้อยู่ ยังพยายามที่จะเข้าไปหาความทุกข์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เพราะอำนาจของอวิชชาโมหะความหลงนี้มันก็มีกำลังมากมันสามารถผลิตกระแสของกิเลสตัณหาให้มีกำลังมากกว่ากระแสธรรมถ้าใจเรายังไปวุ่นวายยังไปทุกข์กับ เรื่องราวของราภยศและลเสริญสุขทางตาหูจมูกนิจกายอยู่ก็แสดงว่ากระแสธรรมของเรานี้มีกำลังน้อยกว่ากระแสของกิเลสตัณหาถ้าเรามีกระแสถ้ากระแสธรรมที่มีกำลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหาแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นปกติ เราจะไม่ออกไปวุ่นวายไปกับเรื่องลาบเล็ดชลเสนเรื่องความสุขทางตาหูจมูกจินใจเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นผลจากการผลิตการสร้างกระแสทำให้มีกำลังมากกว่ากระแสของกิลเลสตัณหานั่นเองดัง น, นั้นเราต้องมา จเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อจะได้ผลิตกระแสธรรมให้มีกำลังมากกว่ากระแสะของกิเลสตัณหาอาวิชชาโลหะ <Okay. S 1> ถ้าผลิตได้เราก็จะสบายเราก็จะอยู่กับความสุขคือความสงบของใจนี้ไปตลอดถ้ายังผลิตไม่ได้ หรือได้เป็นพักๆมาเป็นช่วงๆบางช่วงก็มีกําลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหาช่วงนั้นก็จะมีความสงบสุขแต่ช่วงที่กระแสทรรมมีกําลังน้อยกว่ากระแสของกิเลสตัณหาช่วงนั้นก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจ เราจึงต้องเจริญสติให้มากเพราะสตินี้เป็นกุญแจดอกแรกที่จะทําให้เราได้เข้าไปสู่สมาธิสมาธิก็เป็นกุญแจดอกที่สองที่จะพาให้เราไปสู่ปัญญาปัญญาก็เป็นกุญแจดอกที่สามที่จะทําให้เราสามารถผลิตกระแสธรรมให้มีกําลังมากกว่า ภาษแสของกิเลสตัญหาได้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่จะต้องเจริญสติสมาธิปัญญากันเพราะไม่มีใครจะทำแทนกันได้ถ้าพระพุทธเจ้าทำแทนพวกเราได้พวกเราตอนนี้ก็ไปถึงพระนิพพานกันหมดแล้ว ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องน้ําท่วมเพราเราจะปลีกเว้เวกไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามดอยอยู่กับคนป่าคนเขาหรือยู่กับสภาพที่สงบสงัดว้ยเวกไม่มีภัยต่างๆถ้ามีภัยเราก็สามารถที่จะย้ายโยกย้ายที่ได้อย่างง่ายได้เพราะเราไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรา เราไปตัวเ ป, ปล่าได้ไปไปเหมือนนอกได้แต่พวกที่ยังถูกกระแสของกิเลสตังหาชุดลากลึอผักนันไปก็จะต้องติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆติดอยู่กับภัยต่างๆที่ยามาอยู่เรื่อยๆ เพรเป็นปกติของโลกที่จะต้องเป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี่มีการแปรปรวนอยู่เรื่อยๆบางทีน้ำก็มาบางทีลมก็แรงบางทีดินก็ถล่มบางทีไฟก็ไหม้ไม่ป่าไม่บ้านช่างบ้านเรือน ไม่มีใครไปห้ามได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับภัยต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติทำให้มากต้องปรีทว่เวกต้องสัต ลาบยศสละเสริญน่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใน ต, ตอนต้นก็อาจจะตัดแบบชั่วคราวหาเวลาเตะเว้ไปอยู่ตามสถานที่สงบเพื่อไปเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็ถ้ายังมีภาระยังมีความจาเป็นก็กลับไปอยู่กับลาบยศสารเส ร, ริญ ส, สุข ทางตาหูจะหุงลึ้นกายแล้วก็มีอมโอกาสมีจังหวะก็ออกมาใหม่เราถ้าเราก็พยายามตัดภาระที่เกี่ยวกับราบยศสารเสวนสุดทางตาหูจะหุงลื้นกายให้มันน้อยลงไปถ้าอยู่แบบนั่ง น, น้อยฉันดดวความจำเป็นที่จะต้อง มีาบมีเงินทองมากมากก็จะไม่มีมีน้อยมีทรัพย์น้อยๆก็พออยู่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลากับการไปทามาหากินหาเงินหาทองแต่ถ้ายังรักการใช้เงินใช้ทองอยู่รักกับการที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่มีเวลาพอที่จะไปติดวิเวก ไปเจริญสติสมาธิปัญญาได้เพราะจะต้องไปทำงานทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็พอได้เงินได้ทองมาก็ต้องหมดเวลากับการไปหาความสุขทางจากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟืยของไม่จำเป็นต่างๆพอติดถึงเลื่งนี้แล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติดจะอยู่แบบมากน้อยสั่นดับันนี่นจะรู้สึกทรมานใจทำไม่ได้เพราะมันติดเหมือนติดยาเสพติด ติดสุราติดวุ่นเคยทำอะไรแล้วมันต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะทำให้มันมากขึ้นไปถ้าเราไม่ต่อสู้กับความอยากถ้าเราไม่ยอมทุกข์กับการที่เราจะต้องฝืนใจไม่ให้ไปไปยุ่งเกี่ยวไปเสพ กับความสุขแบบนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะดูดจากสิ่งเหล่านี้ไปได้จะไม่สามารถดูดจากราบยศรเสิร์นดูดจากความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะไปได้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดติดสุราติดบหรีถ้าไม่ฝืนใจบังคับใจไม่ให้ไปเสพ ก็จะต้องเสงไปเรื่อยๆจนวันตายแต่ถ้าฝืนได้ถึงแม้ว่าจะทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงแม้ว่าจะทรมานก็ยอมทรมานแต่รู้ว่ามันเป็นเวลาที่ไม่ยาวนานเหมือนกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการติดสิ่งเสพติดทั้งหลายยอมทุกข์ทรมานหยุดเสษ ในขณะที่หยุดเศษนั่นจะมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความทุกข์ทรมาร น, นี้ก็จะเบาลงไปตามลำดับตามเวลาที่ผ่านไปจนในที่สุดก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วที่นี้ก็เป็นอิจาราไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีเศษไม่มีเศษนี้ไม่เดือดร้อนแล้ว อย่างนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกมือกายด้วยการไปปีกวิเวกด้วยการอยู่อย่างมากน้อยสันโดษด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาที่จะทำให้เกิดพลังที่จะสามารถต่อสู้กับ พลังของกระแสกิเลสปัญหาได้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งการศึกษาก็จำเป็นสำคัญด้วยเพราะต้องรู้จักวิถีทางรู้จักแนวทางรู้จักว่าจะต้องทำอะไรทำอย่างไรและจะทำให้ถูกได้อย่างไรทำให้เกิดผลได้อย่างไร ถ้ามีผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วมาสอนก็จะได้รับประโยชน์มากถ้าต้องสอนตนเองก็จะต้องลองผิดลองถูกไปก็จะใช้เวลามากและจะต้องเหนื่อยมากถ้าไม่มีความอดทนมีความภาคเูียใพอก็อาจจะยกธงขาวยอมแพ้ แต่ถ้ามีผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วมาคอยบอกมาคอยสอนก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาทําให้ไม่ท้อแท้ต่อการปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปเรื่อยก็จะได้ผลไปเรื่อยๆพอได้ผลเรื่อยๆก็จะมีกําลังกิตกําลังใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ส่นทำให้สามารถที่ตัิปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอได้ผลน้บต่อไปจะกระแสธรรมก็จะมีมากกว่ากระแสมีกำลังมากกว่ากระแสของกิดเหตปัญหาก็จะสามารถปล่อยวางทุกอย่างที่เคยยึดติดได้เช่นนาบยึดสรเสริอและความสุขทางตาหูจมูกเส้นกาย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างสามารถที่จะออกจากพระราชวังได้ออกจาการาชยศสรรเสริญออกจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็ไปอยู่ในสถานที่สงบสงบ่าเพื่อจเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาจนกระแส ของธรรมนี้มีกําลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัญหาก็ได้ทรงบรรลุตัดสเลิเป็นพระอนุตพระพระอรหันตสัมมาสัมพุทธยาพระเจ้าสมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพุทธังสรารนังกรฉามิขึ้นมาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็ปรากฏมีธรรมังสรารนังกระฉามิขึ้นมา เพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ทําให้เกิดมีธรรมะคาสอนออกมาณธรรมะคําสอนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าองค์ของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าคือถ้าพระพุทธเจ้าสมเสด็จดับขันธะปังนี้ผานไปแต่ท่านยังมีพระธรรมคำสอนอยู่พระธรรมคำสอนนี่แหละคือศาสดาของ ของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าได้พระธรรมจึงเป็นศาระที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาพระธรรมออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกหลังจากที่สัตว์โลกได้รับฟังแล้วนามาใจ ป, ปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาได้ก็จะเป็น เป็นสังขารรัษณะขึ้นมาเป็นที่เพึ่งที่สามที่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้หน้าที่ก็คือนำพระธรรมคำสอนนี้ไปเผยแผ่แผต่อไปได้และก็ได้ทำมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความาารู้สาหภาคียน ที่จะเจริญที่จะปฏิบัติสติสมาธิปัญญาจนบรรลุธรรมเมื่อบรรุแล้วก็นำเอาธรรมที่ตนเองได้บรรลุนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปจนกว่าจะไม่มีผู้ที่มีศรัทธาพอที่จะปฏิบัติที่จะเจริญ สติสมาธิปัญญาเพื่อการบรรลุธรรมถ้าไม่มีแล้วต่อไปก็จะไม่มีการเผยแผ่ไม่มีการสั่งสอนพระธรรมคำสอนเมื่อไม่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในโลกก็จะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะกระแสของกิเลสปัญหาจาง มีกำลังมากกว่ากระแสของธรรมศาสนาในที่สุดก็จะต้องหายัปหมดไปแต่เรายังอยู่ในยุคที่ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีการปฏิบัติมีการเจริญสติสมาธิปัญญากัน เราก็ยังไม่ได้อยู่ในยุคที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเรายังมีครูบาอาจารย์มีผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วนะเป็นผู้นำทางอยู่เรายังควรที่จะขวนขวายต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่ายืนอยู่กับที่ ศึกษามาปฏิบัติมากี่ปีก็ยังไม่ได้กล้าไปไหนเราต้องมีความกล้าหาญที่จะตัดความสุทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกวิ้วกายไปให้ได้แล้วต้องมีความกล้าหาญ ท, ท, ท, ท, ที่จะไปปีกเว้ไปอยู่ตามลาพังเพื่อจะได้เจริญสติสมาธิปัญญาเพราะนี่เป็นวิธีเดียวเท่นั้น ที่จะทำให้เราสร้างกระแสธรรมให้มีกําลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหาเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่เท้าวลอยู่ที่ตัวเหล่านี้อยู่ที่อัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นพึ่งของตนอยู่ที่ศรัทธา อยู่ที่วิริยะความภาคเพียรอยู่ที่สติสมาธิปัญญาดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสําคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมมากกว่าการให้ความสาคัญต่อลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ฉะนนั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะ สร้างกระแธรรมให้มีกำลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหาได้เราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเย็นว่าตายเกิดได้เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเราเองว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะเอาราบยศรสนุสหรือเราจะเอาสติสมาธิปัญญาเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ถ้าเราไม่ตัดสินใจเราก็จะอยู่แบบเดิมๆถ้าเราตัดสินใจมาทางธรรมแล้วรับรองได้ว่าภาษาธรรมจะมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักบวชได้หรืออยู่แบบนักบวชได้สักวันหนึ่งเราก็จะมีแต่ความสงบสุขตลอดเวลาได้ จิตใจของเราจะเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นมาแจะไม่เหตุการณ์ไม่ปกติจะเกิดขึ้นมาก็ตามแต่ก็จะไม่มากระทบกับใจิตใจที่มีธรรมะคอยดูแลรักษาให้อยู่อย่างปกติสุขไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของขพระพเจ้าก็ขอให้พยายามปฏิบัติต่อต่อไปและปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับนะก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นไงช่วงนี้ได้ปฏิบัติทำอะไร้ากหรือเปล่าเรื่อวิตกวังวนกับเรื่องน้ำท่วมมันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำได้ก็ต้องปล่อยมันไป อย่างที่เราล่างขาได้โยกย้ายไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยได้ก็ทำไปอย่างไที่ทำไม่ได้ก็กคืนเข้าไปคืนธรรมชาติไปน้ำเข้ามาขอคืนเอาไปก็ได้เข้าเอาไปของน่กกายถ้าเรายังปล่อยไม่ได้แล้วร่างกายเรานี่เราจะปล่อยได้ยังไง ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันเหมือนกับของนอกกายเหมือนเหมือนกับของนอกร่างกายเช่รับสมบัติเจ้าของเงินทองต่างๆร่างกายนี้ก็เหมือนกันแต่เราให้ความสําคัญกับร่างกายมากกว่าของภายนอกถ้าเรายังปล่อยของภายนอกไม่ได้เราก็จะปล่อยร่างกายนี้ไม่ได้ เรื่อตัวเราก็ต้องปล่อยของภายนอกให้ได้ก่อนท่านจึงสอนให้เราให้ทานการให้ทานนี้ก็เป็นการปล่อยของนอกกายไปก่อนเช่นเข้าของต่งางๆที่ญาติโยมนำมาถวายพระนี้ก็เป็นการปล่อยปล่อยวางไม่ยึดติดยกให้คนอื่นไปเพื่อเป็นการฝึกขัด เพื่อที่เราจะได้มาปล่อยร่างกายของเราต่อไปเวลาปล่อยด้วยความสมัครใจนี้มันจะมีความสุขเวลาปล่อยด้วยความไม่สมัครใจนี้มันจะมีความทุกมากเข้าของเงินทองที่เราไปซื้อไปเอามาถวายพระนี่เราปล่อยด้วยความพอด้วยความพอใจด้วยความยินดีปล่อยไปแล้ว มีความสุขแทนที่จะมีความทุกข์ถ้าถูกขโมยไปอย่างเนี้ยถูกน้ําท่วมไปนี่กับมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมปล่อยถ้าเรายอมปล่อยน้ําท่วมไปเราก็จะมีความสุขถ้าถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นว่าสักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องจากกันไป ถ้าเราพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเวลานั่งท่วนก็เราก็จะไม่เดือดร้อนเราอาจะมีความสุขก็ได้ถ้าเรามีสัมมาทิ่ฐิถ้าเห็นว่าสบายไม่ต้องดูแลรักษาดีแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามาวิตกกันนงวลพอ ไม่มีแล้วก็สบายใจไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงถ้าเราทำกับสิ่งภายนอกได้ต่อไปเรามาทำกับร่างกายเราก็จะทำได้เพราะมันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันเวลาหวงนี่มันจะทุกข์รมานใจเวลาปล่อยแล้วมันจะเย็นมันจะสงกมันจะสุดใจ งันตอนนี้ก็ต้องฝึกปล่อยข้างนอกก่อนเช่นอย่างญาติโยนเอาเข้าของเอาสิ่งต่างๆมาถาวายพระนี่ก็เป็นการปล่อยของภายนอกหลาไปก็มาปล่อยร่างกายเพราะเราจะเห็นความแตกต่างเวลาที่เรายินดีที่จะปล่อยกับการ กับเวลาที่เราไม่ยินดีที่จะปล่อยเวลาที่เราปล่อยด้วยความยินดีเราจะมีความสุขเวลาที่เราปล่อยด้วยความไม่ยินดีนี้เราจะมีความทุกข์ทรมาณใจมากทั้งๆ ท, ที่ในที่สุดเราก็ต้องปล่อยทุกอย่างไปของนอกกายเราก็ต้องปล่อยของร่างกายนี้เราก็ต้องปล่อย ถ้าเราปล่อยเป็นเราก็จะปล่อยอย่างสุขอย่างสบายพระพุทธเจ้าพระอาหาันต์นท่านปล่อยร่างกายของท่านอย่างสบายเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็นดักขันธ์ท่าปานีา้พท่านก็อยู่ในท่าเสียหายญ า, ยายจิตของท่านก็อยู่ในความสงบอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิท่านต่างๆไม่ได้เดือดร้อนกับการ อากไปของร่างกายเลยนี่เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเราควรที่จะหัดทําให้ได้หัดตายแบบพระพุทธเจ้าให้ได้ด้วยการฝึกทาจิตของเราให้สงบด้วยสมาธิและปล่อยวางด้วยปัญญาถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียวนี้บางทีกำลังมันไม่พอ ถึงเวลาที่กิเลสกระแสของกิเลสความหวงความยึดติดมีมากนี่มันสามารถทําลายสมาธิมันผ่ากําแพงของสมาธิได้แต่ถ้ามีปัญญานี้มันจะสู้ไม่ได้ถ้ามีปัญญาสอนให้ให้พิจารณา ว, ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่ใช่ของเราเป็นตัวเราปัญญานี้จะสามารถหยุดกระแสของกิเลสตัณหาได้ สมาธินี่ยังไม่หยุดไม่ได้หนุนแล้พยายามปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้ ม, กมากๆแล้วต่อไปเราก็จะหยุดกระแสของกิเลสตัณหาได้โดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องปล่อยวางร่างกายจะปล่อยได้อย่างสบาย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลครูบาอาจารย์ท่านไม่ริเริ่มไปโรงพยาบาลท่านมียารักษาใจของท่านอยู่แล้วท่านมีธรรมะโอรสแล้วรักร่างกายท่านก็รู้ว่ารักษาไม่ได้พวกเราไม่มีทั้งสองอย่างยารักษาร่างกายก็ไม่มียารักษาใจก็ไม่มีก็เลยต้องไปอาศัยยาที่โรงพยาบาล แต่รักษายัางไงก็รักษาไม่ได้อยู่ดีถ้าถึงเวลาที่ร่างกายจะตายไปยาวิเศษขนาดไหนก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมโอสฐรักษาใจใจของเราก็จะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายท่ามกลางความแตกสลายของร่างกร่างกาย ใจของเราจะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนีน้เหมือนที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ขณะนีน้จะเฉยๆจะสบายนี่คืออาํานาจของธรรมะโอสฐ์หรือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจน พึ่งได้ร้อยเปรเซ็นต์เป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยยามมีระเบิดมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดถ้ามีหลุมหลบภัยก็จะปลอดภัยจากลูกระเบิดธรรมะโอเศสนี้หรือธรรมะสลาณะนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นที่หลบภัย ที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่เกิดจากการพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนใจได้เลย เลยอยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติมาใแตัญษาเป็นไงบ้างได้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาหรือเปล่ารู้ตัวว่าสอบไม่ผ่านก็ค่ะแต่ก็ตั้งใจว่าจะอยู่วัดแล้วก็อยู่บ้านใช่ไอมยังสู้กำลังของกิเลสไม่ได้คือค่ะ คือรู้สึกว่าจะสนใจภายนอกมากกว่าค่ะอพอดีไปที่นั่นค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งจ้ะค่ะอืแต่ก็ก็มีบางอย่างที่พอใจตรงเองแต่ก็จะไม่รู้ว่าชีวิตมันข้างหน้าต่อไปไอย่างนี้ยจะเลือกเส้นทางที่เส้นทางใดที่ดีที่สุดค่ะก็คือต้องอยู่ในทางธรรมจะต้องปฏิปบัติเท่านั้นจ้ะค่ะอืต้องพยายามดึงใจให้เข้าข้างใน อย่าออกไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกถ้าไม่เกี่ยวกับเราเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวกับเขาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าใครเขาจะดีใครเขาจะชั่วมันก็เรื่องของเขาถ้าออกไปยุ่งแล้เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาทาให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวทําให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต้องบริกรรมพุทโธไป ทำอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปไม่ได้ไปสูญใจคนอื่นเรามีหน้าที่อะไรของเราเร า, เราก็ทำของเราไปคนอื่นจะทําไม่ทำก็เรื่องของเขาเหมอนก็ทําของเราไปพุโทโธไปอย่าไปรับรู้เรื่องของคนอื่นให้รู้อยู่กับเรื่องของเราก็พอให้อยู่กับการกระทําของเราเฝ้าดูการกระทําของเราเข้าดูใจของเราว่าออกไปรับรู้ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนั่รู้เปล่า ถ้าออกไปก็ดึงกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพยายามปรีกวิเวกอย่าไปคุกคีกันอย่าไปนั่งคุยกันสนทนากันส่วนใหญ่จะคุยเรื่องของคนอื่นเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนกันตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้เห็นเรื่องกะใ เ, เราไม่เห็นเหตุหการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราก็ไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ ก็ไม่เห็นไม่เห็นจะตายใช่ไหมไม่ได้วิาพากวิจารมันก็ไม่ได้ตายแต่พอเห็นแล้วมันก็อดที่จะวิาพากวิจารกัไนไม่ได้เราก็ต้องพยายามดึงใจให้เข้าข้างในอย่าไปวิาพากวิจารเรื่องของคนอื่นวิาพากวิจารณ์เรื่องของเราดีกว่าว่าทําไมยังไม่สงบสักทีทำไมยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ทําไมไม่มีสติ ทำไมไม่มีสมาธิทำไมไม่มีปัญญาวิพาก์วิจาร์เหล่ า, านี้ดี่ะก็เพราะว่าเราไปไม่ปิดวิเว์เพราะเราไม่เจริญสตินั่นเองเราโมแต่ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีสติมันก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถ้าเราจะเริญพุทธานุสติอยู่เรื่อยๆควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรให้คิดอยู่แต่คาว่าคิดโธพิดโถไป มันก็จะไม่ออกไปรับรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบแล้วพอมีสมาธิออกมาเราก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาใยรักได้พิจารณาอนิจจ์ได้พิจารณาอนัตตาได้พิจารณาทุกขงังอริยสัจสีได้ว่าทุกนี้เกิดจากความอยากของเราแท้ๆไม่ได้เกิดจากใครหรอก และจะดับทุกนี้ได้ก็ต้องละความอยากต่างๆอยากจะวิพาควิจารก็ต้องหยุดวิพาควิจารเท่านั้นเองความวุ่นวายใจของเราเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นก็จะหมดไปเองคนในโลกนี้มันมีเป็นร้อยล้านพันล้านเราจะไปวิพาควิจารเขาไหวไหม ฝหวเขไปจะเาขาจะทํำยังไงก็เรื่องของเขาความดีความชั่วของเขาไม่ได้มาทําให้เราดีด้วยชั่วตามเขาไปด้วยความดีของเราอยู่ที่การเจริญสติอยู่ที่การปเปลี่ยนพวิเวอยู่ที่การไม่คุกคีไม่วิพากษ์วิจารถ้าจะสนดนาธรรมก็ให้สนทนาในเรื่องของธรรมจริงๆเช่นสนทนาเรื่องมากน้อยสัมโดน เรื่องการติดชีวเวกเรื่องความเพียรเรื่องของการไม่คุกคีกันเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติเรื่องของวิมุตติญาณทัศนะให้คุยเรื่องราวเหล่านี้ถ้ะแท้ๆเวลาท่านคุยกันท่านก็จะคุยแต่เรื่องราวเหล่านี้เวลาพระคุยกันเขถึง พูดว่าท่านสนทนาธรรมกันเพราะท่านสนทนาธรรมจริงๆท่านไม่ได้สนทนาเรื่องวิาพาควิจารณ์คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านจะสนทนาแต่เรื่องเรื่องธรรมะเรื่องที่ได้ได้พูดไว้ที่ไหนดีที่ไหนสงบมักน้อยเป็นอย่างไรสันโดษเป็นอย่างไรความเพียรเป็นอย่างไร เสียงบริสุดธิ์ไหมสมาธิสงบไหมปัญญามีความแยกคายไหมจะคุยัเรื่องราวเหล่านะี้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าผู้ฟังมีความรู้น้อยกว่าก็จะได้รับความรู้จากผู้ที่มีความความรู้มากกว่าถ่ายทอดกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน ก็จะมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมากขึ้นจะทําให้ข้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าคุยเรื่องโลกเรื่องวิภากวิจารคนนั้นคนนี้จิตใจก็จะตกต่าจิตใจก็จะเกิดว้าวุ่นอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายบางทีก็เกิดนะ ความอิจฉาลิสยาความโตรธความเปลียนขึ้นมาได้ฉันั้นพยายามคุยเรื่องธรรมะถ้าจะคุยกันก็ขอให้คุยเรื่องธรรมะว่าจะเสริมให้จิตใจสูงขึ้นให้จะเจื่อนก้าวหน้าขึ้นไปถ้าคุยวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ก็จะทำให้ใจตกต่ำ จะคิดร้ายจะคิดไม่ดีแล้วก็จะมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแทนที่จะก้าวหน้ากับถดถอยเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าเดินไปตามกระแสของกิเลสตัณหาไป พระปิบัติท่านจึงมักจะไม่ค่อยจับกลุ่มคุยกัน <c oughs> เวลามาจับกลุ่มก็จะมีคนคุยคนเดียวคือครูบาอาจารย์เวลาท่านเรียกประชุมทีพระ ก, ก็จะมารวมกันแล้วก็จะฟังธรรมของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั่นก็จะพูดแต่เรื่องธรรมละอย่างเดียวเวลาเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมก็ เหมือนกับได้ชาร์จแบตเตอรี่มีกำลังจิตกำลังใจกลับไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมได้ต่ออีกหลายชั่วโมงเวลาไม่ได้ฟังธรรมนี่บางทีก็ขี้เกียจไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิพอได้ยินได้ฟังธรรมมันก็เหมือนกับได้รับการกระตุน้นทำให้มีพลังธรรมเกิดขึ้นมาทำให้ ทำให้สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงอุบาอาจารย์ท่านหนึ่งต้องเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะให้กำลังจิตกำลังใจและให้ความรู้ต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติาการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสว น, นังเอตัมมังกัรลังตตมัง พอฟังแล้วก็จะเกิดพลังทำขึ้นมาเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติทำและเกิดความฉลาดคือได้ข้อคิดได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อไปถ้าติดอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะผู้ที่แสดงท่านผ่านมาแล้ว ท่จะรู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละจุดที่ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะต้องติดอยู่แต่พอได้ฟังผู้ที่ได้ปฏิบัติผ่านมาแล้วพูดถึงวิธีที่จะผ่านไปพอได้ยินได้ฟังก็สามารถนําเอาไปแก้ปัญหาของตนได้สามารถปฏิบัติผ่านไปได้ <c oughs> การมีครูบาอาจารย์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้การปฏิบัินี้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายต่างกับการปฏิบัติตามลำพังไม่มีปุบาอาจารย์จะต้องคำทางไปจะต้องลองผิดลองถูกทุกครั้งเวลามาเจอปัญหานี้จะต้องเสียเวลาแก้กว่าจะแก้ได้ก็ต้องลองผิดลองถูก เหมือนกับการเดินมาเจอสี่แยกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรื้ยวตรงไปไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูก <c oughs> ก็ต้องลองไปลองผิดลองถูกถ้าลองผิดก็ต้องเสียเวลา <c oughs> ไปทางผิดถ้าลองถูกก็โชคดีไปแต่เดี๋ยวก็ไปเจอแยกใหม่ก็ต้องลองผิดลองถูกใหม่ไปเรื่อยๆ เวลานั่งแล้วเนี่ยไปถึงตรงที่ติดตรงถึงเข้าใจว่าเป็นจิตแยกออกจากกายแล้วออกไปแล้วเนี่ยเราดึงกลับมาหรือควรจะเฉยเฉยปล่อยเข้าไปหรืว่าคือการทำจิตให้สงบนี่มันจะทำให้จิตปล่อยวางร่างกายชั่วข่าวตอนนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น เขาแยกเขาปล่อยคขาวางให้เขาแยกให้เขาอยู่ตามลมพานของเท้าเขาปล่อยวางร่างกายชื่อว่าเท้าเขาถอนกระแสของจิตที่ไปเกาะ อ, อยู่กับตาหงษ์จมูกลิ้นกายเวลาทําสมาธิบริกรรมพุโทโธนี้มันจะเดินกระแสของจิตที่ไปเกาะติดอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสปุถพะจิตก็จะเข้าไปเหมือนกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในรรำ เราก็จะปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกถ้ำเราเข้าไปถึงก้นถ้ำแล้วเราก็จะไม่ได้รับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่อนอกถ้ำเราก็พักอยู่ในนั้นเพราะที่นั่นจะเป็นที่เย็นสบายมีความสุขมากเป็นกว่ากําลังของสติเราจะหมดมันก็จะถึกกระแสะของกิเลสพักออกมา ออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลตระาต่อไปอ๋อนึกไปเด้งกลับเออไม่ต้องไปเดึงก็เราทำแทาเป็นแทบตทายเพื่อให้มันเข้าไปเรเข้าไปแล้วเราก็เป็เด้งมันออกมาเางคนรเราควรจะปล่อยให้มันที่ที่ดึงออกมาก็เพราะว่ายังไม่เข้าไปถึงถึงถึงที่ข้างในเต็มที่เพราะถ้าถึงที่ข้างในเต็มที่แล้วมันจะไม่อยากออกมาเพราะมันมีความสุขมันมีความเบ้า มีคาสบายถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นพอถึมันจะหมดกำลังแล้วมันก็จะออกมาเองเราช่วงที่เขาออกไปเราก็เราเราจะรู้ตัวอยู่ที่ที่ไหนคะ่ะเวล่วเราเออกมาแล้วก็กลับมาอยู่สภาพปกติมันที่ดาเป็นอยู่ตอนนี้เราก็เราก็มาเริ่มนับรู้เสียงกิ่น เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาคอยคอยกากับดูแลมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็จะคิดไปตามกระแสของกิเลสตัณหาจะคิดถึงเรื่องราบยศธเสวนเรื่องการหาความสุขตางตามหูจมู ก, กลิ้นกาเหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่ถ้ามีสติมีปัญญาเราก็จะตอบสู้กับความคิดเหล่า น, นั้นคือสอนว่า ทางนั้นไม่ได้เป็นทางที่เป็นพาไปสู่ความสุขทางที่ไปสู่ความสุขก็คือกลับเข้าไปข้างในต่อโดยการตัดความสุขทางภายนอกออกไปเวลากเกเรตงงานาจะเดึงให้ไปห า, าะลายยศสารเสริญไปหาความสุขทา ง, งรูปเสียงกินลดโสดะภาก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสกัดว่านั่นไม่ใช่เป็นความสุขนั่นการไปหาความทุกข กลับเข้าข้างในดีกว่าพอตาได้แล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อแทนที่จะไปหาเครื่องดื่มดื่มหาขนมรับประทานไปเปิดโทรทัศน์ไปเปิดเพลงฟังล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อสลับกันนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จก็นั่งสมาธิมาถ้าเรามีสติปัญญาคอยควบคุม ใจไว้มันก็จะไม่ไปหาตู้อย่างมันไม่ไปหาตู้ตโทรทัศน์มันไม่ไปหาของอะไรต่างๆมาบำรุงบำเลอจิตใจมันจะหาแต่สติสมาธิปัญญาถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปจิตของเราจะสงบมากขึ้นไปตามลำดัแบบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิ เวาเออกจากสมาที่วามความสงบที่ค้างค้างอยู่จากจากสมาธิก็จะยาวออกไปเรื่อยๆมีมีอายุยา้ายาวมากขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องหลับไปจิตของเราก็จะสงบตั้งแต่ขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกมาเดิน อ, อยู่ในสมาธิมันสงบมากกว่ามันแน่นกว่ามันนิ่งมากกว่า แต่ในขณะที่ออกมามันก็ยังสงบอยู่มันจะไม่วุว่นวายเหมือนเหมือนกับเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิเหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติจะจิตจะวุ่นวายจะจะมีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆง่ายแล้วรวดเร็วจะยินเสียงปั๊บก็ไปแล้วหลุดและได้เห็นอะไรที่ไม่ถูกใจก็หลุดไปแล้วอารมณ์เกิดขึ้น แต่ถ้าได้ปฏิบัติอย่างต่อเนี่อต่อไปเห็นวนะ่ามันจะไม่ไม่ไม่ดลุง่ายมันจะหลุดยากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเฉยมากขึ้นไปจนในที่สุดมันจะเฉยตลอดเวลาเฉยได้ตลอดเวลาก็สบายไม่วุ่นวาใครจะชมก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉย ใครจะไม่ชอบเราก็เฉยใครจะชอบเราก็เฉยปรนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรา <c oughs> เรามีหน้าที่เฉย อ, อย่างเดียวเห็นไมพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามให้เขาชอบเราก็ไม่ได้ห้ามให้เขาชังเราห้ามเขาแม่ก็ชังเราไม่ได้แม่ก็ชอบเราไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ให้ใจเราอยู่เฉยเฉยได้ ไม่ดูใจเสียใจนี่คือจุดที่เราต้องการจะไปแต่า ก, การนั่งสมาธิแล้วจากการเจริญปัญญาขณะที่อยู่ในสมาธิเราเจริญปัญญาไว่นะเรากําลังสร้างฐานของความนิ่งของความเฉยอยู่ก็ให้มันเฉยให้นันที่สุดให้มันนิ่งให้นานที่สุดเพื่อเวลาออกมามันจะได้นิ่งได้นานเฉยได้นาน ถ้ามันไม่นิ่งเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้ปล่อยวางสิ่งที่มาทําให้ใจเราไม่นิ่งชเช่นเสียงเสียงสรรเสริญหรือเสียงนินทาพอได้ยินเสียงนินทานิจ ใ, ใจมันจะวูบขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขาไม่เที่ยงไม่แน่นอนเสียงบางทีก็สรรเสริญบางทีก็นินทาน อ น, นัตตาก็คือเราไปสั่งไม่ได้ว่าต้องเป็นเสียงสรรเสริญอย่างเดียวเราต้องรับได้ทั้งสองอย่างรับได้ทั้งเสียงสรรเสริญและเสียงนินทาเราใจเราก็จะกลับสื่ความเฉยได้นั่นคือความตั้งมั่นใช่ไหมคะก็อุบเบกขาคือไม่มีอารมณ์เหมือนตอนเนี้ยเราไม่มีอารมณ์เฉย แต่ไม่แน่ถ้าเกิดพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาก็ อ, อาจจะไม่เฉยก็ได้ถ้าพูดไม่ดีแล้ว เ, เฉยได้ก็ก็ถือว่าเรามีสติปัญญาคุมจิตได้เช่นที่เคยได้นิทานนี่ว่าคุณงคุณนายไปฟังเทศหลวงพ่อน้วงตาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยฟังแล้วจิตจังมันเฉยมันเย็นสบายไม่มีกิเลสตัณหาพอท่านบอกอีต่อแหล่ ทนอะตอนนั้นก็จะดูรู้ว่าเฉยได้จริงหรือเปล่าท่านทดสอบอารมณ์เราน่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหาวิธีให้คนเขาด่าเราทำอะไรไม่ให้ใหถูกใจไม่ทำให้เขาโกรธขึ้นมามให้เขาด่าเราดูดูที่ว่าเราจะเฉยได้หรือเปล่า ถ้าเฉยได้ก็สบายไม่ต้องไปกังวลกับใครนะไม่ต้องไปเอาเอาใจใครนะเราเอาใจเราไม่ดีกว่าเนะเอาใจคนอื่นนี่มันเหนื่อยนะอย่างนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีต่อไปก็ไม่ต้อองเอาใจตนะามใจคุณคุณชายก็ได้ <laughs> เราตามใจเราดีกว่าเรายู่เฉยๆด้ดีกว่าปล่อยวางก็ได้แล้วสบาย เมื่อกี้เลยของคนมันมันมั น, ม, นมันไม่มีฝั่งไม่มีฝาทําอย่างนี้ก็ไม่พอใจทําอย่างนั้นก็ไม่พอใจไปพอใจอย่างนี้พอทําซ้าๆก็เบื่อไม่พอใจนะลองทํากับข้าวที่ชอบกินให้กินทุกวันหนูเด็กก็ด่ากลับมางั <c> ้น <oughs> อย่าไปเอาใจใครเลยเอาใจเราดีกว่าอยู่ละใจเราดีกว่า เวลาใจล า, าของเราให้เฉยเราต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายเราจะรู้เมื่อไหร่ครับว่าเราพร้อมก็เหมือนกินข้าวมันอิ่มเมื่อไหร่มันก็รู้เองอถ้ามันพร้อมมันก็ออกไปเองอ่มันก็มันก็อยากขาดขึ้นไปเองแยกกันอยู่คนละห้องนอนคนละห้องก็รู้ มันเกิดความเบื่อห่ายมันเห็นทุกข์ในในการอยู่ร่วมกันมันก็จะตอนนี้มันยังไม่เห็นทุกข์มันเห็นแต่สุขอย่างเดียวเวลาทุกข์มันก็ลืมเร็วทะเลาะกันเดี๋ยวพอสองวันก็ลืมแล้วแต่ถ้าเป็นถ้าจำได้นี่มันก็จะไม่ลืมมันก็จะไม่อยากจะอยู่ด้วยกัน ติเลตมันชอบไม่เราดืมความทุกข์ง่ายทุกข์กับอะไรแสนสาหักก็พอวันสองวันผ่านมันก็ลืมไปแล้วกลับไปหลงรักเขาเหมือนเดิมเราทาอะไรเราทุกอย่างไรก็ลืมหมดเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ว่ายังต้องอาใจเขาต้องพึ่งเขาให้ความสุขกับเราก็เลยยอมยอมอดทนกับความทุกข์ แต่ถ้าเรามีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนซึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบมาทดแทนเราก็จะไม่เอาละมัเบื่อละเบื่อที่จะต้องไปทนรับความทุกข์เพื่อแรกกับความสุขของเขาเราสามารถสลิตความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าได้ตอนนั้นเราก็จะอยู่คนเดียวได้ ต้องทำจิตให้รวมให้ได้นั่นแหละเป็นอุเบกขาให้ได้แล้วมันจะอยู่คนเดียวได้มันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้วเวลาอยู่กันหลายคนมันวุ่นวายมันไม่สงบเวลาอยู่คนเดียวนี่มันสงบมันสบาย ก็ดูพระเท่าต่างๆท่านก็อยู่คนเดียวเท่านั้นอยู่บาอาจารย์ถึงแม้จะอยู่กับในวัดอยู่กับพระอยู่กับญาติโยมท่านก็มีที่ของท่านอ่องท่านท่านไม่ไปคุกคีไม่ไปยุ่งกับใครหรอกนอกจากถึงเวลาที่จะต้องทําหน้าที่ก็ทําไปเท่านั้นเองเวลาบิณฑบาตเวลาฉันเวลาเทศนาแสดงธรรม แต่พอเสร็จปับท่านเข้าไปนะท่านก็ไัลที่ของท่านกนลับไปสู่ความสงบกลับไปสู่ความทางสบายน่านต้องทำให้ได้นะต้องตั้งจิตอธิษฐา น, นว่านี่คืองานของเรา นี่คือที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีที่เราสวนกันนี่ท่านจะสวดนัตถิในสรนาณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีที่พึ่งของเราก็คือพูดทางทำมังสังขังนันกระฉานีคือที่พึ่งของเราการที่จะได้ที่พึ่งทางนี้ก็อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัตินี้ เราต้องทุ่มเทเวลาให้มากต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติอย่าทําแบบเล่นสมัครเล่นต้องทํำแบบมืออาชีพถึงจะได้ผลนักกีฬามืออาชีพเนี่ยเขาแข่งขันเขามีเขาชนะได้ถ้าเป็นสมัครเล่นไปแข่งกับมืออาชีพสู้เขาไม่ได้กเลานี้เขาเป็นมืออาชีพนะกิเลาตันหานี้ถ้าทํำตลอด24ชั่วโมง ยกเว้นเวลาหลักเท่นั้นนแต่ธรรมของพวกเรานี่ทํากันเฉพาะเวลาที่เราว่างจากภารกิจกางงานอื่นๆมันก็ไม่พอสู้เขาไม่ได้กระแสธรรมของเรานี้อ่อนมากทื่อกระแสรรของกิเลสปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่สามารถผลิตกระแสรรของธรรมให้มีกําลังมากกว่า พอเราไม่ใช้เวลาไม่ทุ่มเทเวลาต่อการผลิตกระแสธรรมนี้เรากลับไปผลิตกระแสกิเลสด้วยซ้าไปโดยการทำตามตามกิเลสปัญหาการปฏิบัติของเราจึงไม่ค่อยขึ้นหน้าจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะเวลาที่เราทุ่มให้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัตินี้มันยังน้อยไป ถ้าทุ่มเทให้มากๆแล้วผลมันจะต้องเกิดแน่นอนทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไมออกจากงานไม่ได้ทำไมปฏิบัติธรรมทั้งวันไม่ได้ไม่เข้าใจมีอะไรมาห้ามเราหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่านันก็ไม่ผิดกฎหมายมีใครเอาปืนมาบังคับเราหรือเปล่า ว่าห้ามอยู่คนเดียวห้ามปฏิบัติธรรมคนเดียวถ้าหล อ, อกจากงานที่มีใครองเอาปืนม า, ม า, มาบังทับเราเลยแม้ทั้งที่เป็นทางที่ ท, ที่ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐแต่ทางที่เป็นเป็นแต่ความวุ่นวายทุกทรมานใจกลับไปกันชอบไปกันไปเที่ยวที่ไหนไปเฉียงภัย นั่งรถยนต์เสี่ยงภัยอันตรายต่ออุบัติเหตุต่างๆก็ไปได้เวลาไหนก็ไปได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไปแล้วได้หลายขึ้นก็ได้ความสุขปลาเดียวประดาวความสนุกปลาเดียวปลาดาวกลับมาบ้านก็นเหมือนเดิมเจ้าสร้อยหน๋อยหว่าเวเหมือนเดิม ต้องวิเคราะห์ดูเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เรื่องของเราเยอย่าไปวิเคราะห์อย่าวิภากวิจารเรื่องของคนอื่นให้เสียเวลาไปหรอกเปล่าสมัยที่เราอ่านหนังสือธรรมะใหม่ๆเราก็อ่านเรื่องนั่งสมาธิอยู่หลายเดือนเหมือนกัน แล้วอยู่ย่วันหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาว่า เ, เมื่อไหร่เราจะนั่งสักทีก็นั่งมันตรนนั้นเลยวางหนังสือแล้วก็นั่งเลยต้องวิเคราะห์ตัวเราเองหรือว่าเราทำอะไรบ้างอย่างที่พระเจ้าสอนวันนี้ให้คิดว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าจะวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ตัวเราให้ถามตัวเราว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็ท่านลงไปเรื่อยๆเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําตามกระแสที่เลยตั้งหาหรือกําลังทําตามิกระแสของธรรมของฐานอยู่พอมันคิดอย่างนี้ป้ามันบอกโอ้ตอนนี้เราไม่ได้เจริญสติเลยต้องเจริญพุทโธพุทโธไปเลย ยังไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งมเลยรเราถูกกิเลสหลอกล่ออยู่เลยให้เราหลงลืมงานที่เราจะต้องทํากันให้เราไปหลงทํำงานที่เราไม่ควรจะทํากิเลสมันเป่าหูเป่าอะไรเปสมองเป่าจิตเป่าใจเราจนกระทั่งเรานี่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรากําลังทําสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์กับปิตใจของเราเลยถ้าเราไม่กระตุ้น จิตสำนึกของเราไม่กระตุ้นปัญญาคือการวิเคราะห์การกระทําของเราให้คอยสอดส่องดูแลตลอดเวลาทุกขณะว่าฐานะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กำลังเผลอหรือไม่เผลอกําลังมีสติหรือไม่มีสติตัวนี้สําคัญตัวสตินี้สําคัญพยายามให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องให้ได้แล้วสมาธิก็จะเป็นผลตามมา ตอนมีสมาธิแล้วออกทางปัญญา ม, มันก็จะมันก็จะไปได้อย่างง่ายดายมันนี้ก็เอาแค่นี้แหละนะไม่ได้พอ